เทศอบรมพระวันที่หมีนาคม2522เทศกันนี้ท่านอาจารย์พระมหาบัวยาณสัมปันโนบันทึกไว้กันนี้เผ็ดร้อนมากเทศศาสนาทุกวันนี้มักจะมีแต่ชื่อแต่น้ำลายพ่นใส่กันความจริงตามหลักธรรมไม่ค่อยปรากฏในหัวใจผู้นับถือศาสนา เขาดูถูกศาสนาก็เพราะเราผู้นับถือศาสนาปฏิบัติไม่ถูกตามหลักศาสนาธรรมเมื่อจิตหาหลักยึดไม่ได้ก็ไรสาระหาความสงบไม่ได้เลยฉะนั้นอะไรจะเจริญจึงไม่เหมือนใ จ, จเจริญด้วยธรรมโลกต้องการให้วัตถุสมบัติจเจริญจะได้มีหน้ามีตามีคนเคารพนับถือแต่ถ้าใจไม่จเจริญ จะหาความสุขมาจากไหนจงเห็นใจเป็นสำคัญเทศจวนจบหน้าเอก็หยุดจากนั้นก็พูดปริยายกันนี้ห้ามคารวาสฟังและอักต่อเพราะเหมาะสำหรับพระโดยเฉพาะเท่านั้นยังไม่จบหน้าเอหยุดก่อนสุขความโกรธปุเท่านั้นนั้นก็เสียตัวของมันเอง เราดีอยู่เสมอแต่เราไม่ดีใครจะชมเชยขนาดไหนก็เถอะมันก็เท่าเดิมเล่อยู่ที่ตรงนี้เรื่องศาสนาเรื่องความจริงเป็นรําขันไหนทนี่มันถึงไม่ได้เลือกทาปฏิบัติจะเลาะและแหละหาความจริงจังไม่ได้ถุยมาพูดในทะางเรื่องหลักการภาวนาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เงียบไมนได้เรื่องอะไรเลยเดินไปไหน ของจริงมีอยู่ประจำทะแท้ๆในใกายในจิตทั้งตัวเองสอนก็สอนลงที่นี่ที่ของจริงนี่ซึ่งควรจะพินิจพิจารณาคว้าตามหลักความจริงให้เห็นขึ้นมารู้ขึ้นมาดังพระวจีจากเหล่าสาวกทั้งหลายท่านจงบําเพ็ญมาและบําเพ็ญมาทำไมนี่จากหลักปัจจธรรมความจริงอยู่ที่นี่ขุดค้นลงที่นี่มันไม่รู้ได้เลยมันต้องรู้ทำไมนี่เรื่องสมัยการสถานที่อันใดที่จะมาอีกความบางังคับ ปฏิบัติทารเพื่อนาเนินอันถูกต้องดีงามของผู้ปฏิบัติดีอยู่แล้วให้แค่คาดจาับผลที่จะพิงได้รับมากน้อยตามกำลังของตนหลักการปฏิบัติเป็นของํำคัญืตื่นลมตื่นแรงอยู่นี่ศาสนามีกต่ลงนะลมปากเลียนจนปากจะฉีดแล้วได้ลมนั้นมากมาอวดน้ำลายกัน เหมือนสุนทักร์แกัดกันเหมือนน้ำลายฟุ้งกัดกันเอาจำแต่ชื่อของกิเิย์ตัณหาอาสวัตจำชื่อของอัศของธรรมของมาผลนิพพานใกล้แต่ชื่อเท่านั้นขวบตัวรู้ตัวฉลาดวิริย์ตัวเดียวไม่หลุดรอยออกเลยหัวใจมันร้อนยิ่งกว่าภูเขาไปทั้งโลกไม่เห็นโทษของโทวเองบ้างเลยเรื่องนีง้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น ปริญาตปฏิบัติปฏิเวชนี่ทำสามประการนี้เกี่ยวเนื่องกันปริยาตได้จากการศึกษาอย่างน้อยเบื้องต้นพระอุปชัยยะให้อุวัฒสั่งสอนแล้วนั่นคือปริญาตเยซาโลมานะฆาดันตาตะโจตะโจดันตานะฆาโลมาเยซาผงผลญัตพันหนังเป็นต้นแล้วก็ย้อนกลับมาให้พิจรารณา อาการเหล่านี้ถอยหน้าถอยหลังจนเป็นที่เข้าใจด้วยความมีสติด้วยความจงใจทำอย่างจริงจังนี่แหละคือเปิุณพระเปิดมรรคผลนิพพานหรือนี่แหละคือเครื่องปราบวิริยะวิริยะมันชอบยึดชอบถืออิงตรงนี้นี่นี่ก็ปได้ยาจากนั้นเราลุกขโมยลรเสนาสนางสอนอยู่แล้ว มีซ า, าประประชาตัถบูายาวชีวังอุซาโหกระนังอยู่เป็นตน้นมันมาชาสมบูรณ์แล้วให้เธอตั้งหลายไปเกี่ยวอยู่ตามุข้อมูลลมม้ชติแต่เขาว่าปไปเรื่อยตามทำเนื้อผ้าในป่าลกพงไผ่ที่ไหนจะเป็นที่สดวกตายสบายใจในการบำเพ็ญสมณะธรรมให้อยู่ในสาร น, นั้นแล้วทําคำอุตสาหพยาพยามนี้ตลอดชีวิตเถิดนั่นนี่คือปริปริญญาตได้เรียนมาแล้วทุกคนจับวิชา ทำไมไม่ทราบว่าปริยัติคืออะไรจากนั้นก็ปฏิบัติตามเลี้ยวขาลงมานะขา ต, ตั้งโต้ท่านนี้มนตาตาตะจท่านพิจารณาอย่างไรเอาพิจารณาลงไปที่ผมมันเป็นยังไงความสกดิ์โภคโศมอมของมันใครทําไมถึงเท่อทูนมันนักหนาชเชิดชมชอยมันนักหนาเพงตกลงไปหาอาหารซึ่งเป็นที่รับทานเท่านั้นเส้นเดียวมันก็ขยักขแยงกันมันเป็นยังไงนึ่เป็นอย่างนั้นถ้าเป็นของดีของสกดิ์ ของสะอาทำไมจีต้องเป็นนะฮะ ข, ขยะขยะเงนินทำไมคือนั้นไปหมดนั้นเป็นอะไรที่เกิดที่อยู่ไปงไงผมขนมันอยู่ในที่สกรปรกเกิดจากที่สกปรกในร่างกายนี้เป็นบ่อยความสกปรกแกกองเนี่งความสกรปกกออสกรปกทั้งสิน้นปฏิปูลโสโครกทั้งนั้นแล้วมันสิ่งเหล่นี้มันเกิดขึ้นมาจากสถานที่นั้นตัวอวัยวเองก็เป็นตัวปฏิพูลโสโครอยู่แล้วพิจารณาไปเห็นตา่างของจีนเล็บไปดูเอา มันก็กระดูกนั่นแหละตัวสกปรกต้องล้างอยู่เรื่อยไม่งั้นเหม็นฟันหนังมันหุ้มกระดูกอยู่นี่พอดูกันหน้าเแล้วก็หลงกันด้วยหนังนี่เท่านั้นนะ่ะบางๆอนี่น้าโรกภาวะฉลาดได้ยังไงเมื่อมันหลงแค่นี้ห น, ะนังที่ถือก็เสร็จสรรตั้นยอว่า ส, สวยๆงาม ว, ว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นศัตรเป็นบุคคล ถ้าหาความจริงอย่างนั้นไม่ได้นี่แต่ความจริงคือแต่แปบบว่าธาตุแตลว่าขันเตอนนั้นนี่ภาพปฏิบัติพิจารณาเห็นตามความจริงนี่พิจารณาไม่หยุดไม่ถอยทําไมจะไม่รู้คิดยาปล่อยมันไปที่อื่นเคยปล่อยมาพอแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรบ้างเราควรจะนํามาบวกมาลบ ก, กันตั้งแต่วันเกิดมามันเคยคิดเคยปรุงเรื่องอะไรตั้งแต่จะไม่บวช รอยจิตปลอยใจถ้จนเสียเนื้อเสียตัวภัยมีมากมายเสียผู้เสียคนเพราะการปล่อยใจเดี๋ยวทีเวลานี้เราจะรักษาใจให้เป็นของมีคุณค่าอันใดที่ไม่ดีสําล อ, ปอกปลอออกจากใจ ใ, ใจรับความสงบร่มเย็นด้วยการปฏิบัติแต่ขออย่างยิ่งเราเป็นนักบวชอยู่แล้วนี่มีหน้นาที่พี่จะต้ อ, องเพื ป, ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนตามความมุ่งมั่นของตนที่คิดไว พิจรณาเห็นชัดเจนเลยอันไหนอาการใดที่เป็นที่เหมาะสมไม่ว่าแต่เพียงผมผลและฟันหนังแมงเนื้อเอ็นกระดูกและอื่ น, นๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้เหมาะสมอาการใดกําหนดพิจารณาอาการนั้นเป็นอารมณ์ของจใจได้ทั้งนั้นที่ท่านบอกไว้ประจับปัญจ ก, กะกรามฐานบอกกามฐานมีหนังไปที่ห้าที่อยู่เป็นต้นอยู่ครอบไว้หมดเลยพอถึงหนังอยู่เพเวลาไม่พอ ในการรวมสัมผสกับกลนบุตรขนาดที่บวชมันจึงสอนหนึ่งแค่นี้จากนั้นก็อธิบายต่อไปถึงเรื่องอาการสามยี่สองมันเป็นอาการอาการอาการรวมเข้าก็เรียกว่าศัตว์ว่าบุคคลก็เรียกกันไปอย่างนั้นเนีะมีความจริงที่ไหนเรามาถือมาจริงมาจังมาเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายของจ้อยของน้ำเรก็โปรขนหนักไหนก็มาเสกขันปั้นย่อเอาฝืนความจริงมันก็มีตังแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนนะสิ แล้วความถูกความสบายความเบา อ, อกพอใจมาจากที่ไหนเพราะฉะนั้นท่านถึงได้เปิดเผยสิ่งนี้ด้วยประจับบรรยา ก, ศกาศกรรมฐานาพาิจารณาแยกแยะดูให้ดีออกจากนั้นก็เข้าถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกะระดูกมามาาหมักห้อใจตับพังผืดไตปอดเส้ใหญ่เส้นน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าวิญญาณมันแหลกไปหมดเป็นไหทำมันหนีไปไหนกิจปล่อยไปไหนก็ปล่อยไ ป, ไปแล้วมันมีแต่ความวุ่นวายนำมาสู่ตัวเองเพราะการต่อใจ การรักษาใจจะมีความทุกข์คันลาบากขนาดไหนก็เป็นความทุกข์เพื่อจะถอดถอนกิเลสตัณหาว่าซึ่งเป็นตัวฆ่าติดทุกอันนี้ทุกมีคุณค่าไม่ทุกอย่างแบบลอ ย, ล ย, ลยนําไปมาเผาเราอ ย, อยู่เฉยเฉยเหมือนความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปล่อยใจนั้นผิดกันตรงนี้ทุกข์เพราะการรักษาใจกับทุกข์เพราะการปล่อยใจเป็นยังไงเทียบกันสิทุกข์เพราะการการปล่อยใจนี่เป็นเรื่องขอ ง, ของกิเลสตัณหาสวัาดิฉุดลากไป บ่อยไปตามมันคลอยไปตามมันแล้วขนทุกข์มาเผาโด ห, หัวใจไม่มีอยุดจอนไม่มีอายาบทเดินเดินด น, นั่งนอนมีแต่ฟืนแต่ไฟเป็นอันเป็นผลเกิดขึ้นจากการต่อใจนี่ความทุกข์ในการบังคับบัญชาจิตใจให้อยู่ในร่องรอยในกรอบแห่งธรรมเพื่อจะถอดถอนจิตเดียร์ซึ่งเป็นตัวฆ่าสุขทํามัญ น, นี้จะทุกข์ขนาดไหนทุกข์ขนาดไหนสุกก็จะเกิดขึ้นขนาดนั้นนี่เป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความ ทุกทียันยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นจนเป็นที่พอใจหวนควรรับทุกอันนี้หวนสู้ไม่ควรถอยอเป็นลูกขี่ตถาคตมุ่งต่อมาคล น, นิพพานมีอะไรที่ประเสริฐเลิศโลกในอันในสามโลกธาตุนี้ก็ฟังเลยเฮ้ยังทุกขังหน้าตาครอบไปหมดแล้วเราจะหวังเอาอะไรเป็นที่พึ่งมีตะจิดดวงเดียวที่จะแก้ให้ออกเรียบร้อยหาความ ช่วยเหลือจากเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องไม่ทาร้เหลือกิเลสประเภทนั่นเข้ามาเหยียบย่ำกิเลสประเภทนี้เข้ามาเหยียบย่าทําลายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนกิเลสอดจิตใจมีความทุกข์ความลําบากเพราะสิ่งเหล่านี้ย่ำหยี่นจึงเรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราผู้เป็นเจ้าของคือสติปัญญาเป็นสาคัญมีความเพี่ยนเป็นเครื่องหนุนที่จะช่วยเหลือจิตใจให้รับความสงบ ไม่ถูกสิ่งเหล่านี้ฉุด拉เหยียบย่มทำลายเสียทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนโดยไถ่เดียวเห็นเมื่อได้รับการบังคับบัญชาการรักษาการบำรุงอยู่เสมอต้องมีวันหนึ่งจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบมันหนีกำลังของมรรคไปไม่ได้มรรคคือสติเป็นสั้งขางความเพียรหนุนอยู่ตลอดเวลาความอดความทนทุ่มลงไปเลย เราเอาความอดความทนไปทุ่มแตอย่างอื่นเราทุ่มมาพอแล้วเกิดประโยชน์อะไรเดี๋ยวนี้เราเวลานี้เราจะเอาความอบความทนความพยายามทุกสิ่งทุกอย่างในอิธิบาตทั้งสี่คือฉันท้าวิยะจิตตวิมังสามุ่งเข้ามาสู่จุดเดียวนี้เอาทุกข์ก็ทุกข์ตายก็ตายเรื่องความเพียรไม่เป็นไรแล้วสวดกุศลาให้เราอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องกลัวว่าใครจะมาสวดกุศลาให้เอาทีเอ า, เอาให้ได้สวดกุศลากิเลสเป็นไร ถ้าเรามีกุศลาแล้วกิเลสต้องตายถ้าเราไม่มีกุศลาแล้วอ่ะกุศลานั้นกิเลสเหยียบย่ำทำลายเขาเราตลอดเวลาเผาทั้งเป็นนี่แหละกิเลสมันเผามาตั้งแต่วันเกิดออกนั้นก็เผาไปพ บ, พบน้อยพบใหญ่เผาไปทุกพบทุกชาติไม่หยุดไม่ถอยมีแต่กิเลสเผาเราเราไม่ไไเคยจะเผากิเลสสักทีนี่เราพยายามจะเผากิเลสด้วยกุศลาทำมาคือความเฉลียวฉลาดทัติปัญญามีเท่าไหร่ทุ่มลงไปทุกก็ทุกโลกนี้เกิดมาในทรามการแห่งขอความทุกจะเอา มีความสุขความตระมาโดยที่ไม่ประกอบเหตุอันใดเลยอยู่เฉยๆใ ห, เห้เป็นความสุขขึ้นมานี้มันได้อย่างไงไม่ใช่กติธรรมดาเราเป็นนักรบต้องเอาไม่ถอยลองพิรนาตามที่ว่านี่มันจะไปไหนพ้นไปไหนได้วะางถ้ามีความจริงจังกับการพิจารณาจริงๆ ต่อสู้กันด้วยสติปัญญาต่อสู้อดทนตายเฉยก็ไมเกิดประโยชน์ทนเท่าไรสติปัญญาหมุนเติ้วเข้าไปเตี้วเข้าไปเอาไม่มีที่ออกไม่ต้องออกมีแต่พุ่งบุกหน้าเลยนจะตาก็ตายข้างหน้าไม่ถอยหลังมีความจริงเวลาจะเกิดเกิดขึ้นเวลาจึงกรอบสติปัญญาทุ่มลงไปทิ่วลงไปเมื่อมีทางออกมีแต่ทางสู้อย่างเดียวแล้วสติปัญญาเกิดแล้วได้หลักสักวันหนึงเท่านั้นทีนี้ความเข้มแข็งความอาดขาน มันเกิดขึ้นเองความอดความทนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งที่ว่าเป็นความดีที่จะสนับส น, นุนสติปัญญาให้เป็นเครื่องแก้ี่เหล่แล้วมาพร้อมๆกันนี่เป็นหลักสาคัญเราสอนหมู่เพื่อนสอนด้วยความจริงใจเราเคยปฏิบัติมาอย่างไรเอานิสัยนั้นแหละมาสอนหมู่เพื่อนเพราะเคยได้ผลอย่างนั้นจะสอนแบบอ่อยๆอะไรนะแต่จะเป็นไปอย่างนี้เราไม่เคยได้ผลได้ประโยชน์เคยปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้น ธรรมนาธรรมนาบางทีเราเราทําให้ยังต้องคิดถึงหมู่ถึงเพื่อนแล้วเอามาวินิจฉัยไข้ปวดดูนี่เวลาอยู่กับหมู่เพื่อนในขณะที่อยู่กับพ่อแม่ผูอาจารย์ใดญเราตอนที่จิตของเรายังไม่ได้หลักได้เกณฑ์อะไรเลยยังพุ้งเฟ้อเหื่อมบุ้นวางทั้งที่มุ่งไปหาของจริงกับท่านแต่ยิ่งเลศมันไม่ได้มุ่งหาของจริงกับเรามันก็เดินตามแถวยิเลศเมื่อเป็นเช่นนั้นไปอยู่กับท่า น, นเขา วงชาติวนวาอยู่อย่างนั้นเป็นพื้นเป็นภัยอยู่ภายในตัวเองมันน่าอาจะตายไปแต่เขาจะทำไงมันจุกจีใสเราก็พยายามทําความภากความเพียงกลางคืนบางคืนไม่นอนฟันตลอดลุ่มเดินจะ ก, กรมอ้ามันต้องไปถันถันฟ้าจงเที่ยงนันแล้วมันก็ไม่เรื่องต้องให้คิดหมู่ดูหมู่เพื่อนหมู่เกื่อนนั่งทํานั่งทำนี่ป๊อกปอกแป๊กแ๊ไ ป, ป, ปอยู่ธรรมดา หเพื่อนท่านก็มีเห็นถ้าพูดถึงเรื่องความภาคเพียนเราดูอาการภายนอกของท่านก็ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นักท่านทำไมจึงไม่มีความอยู่สบายเป็นสุดให้เรานี่ความภาคเพียนก็แทบล้มแทบตายแต่ทำไมจิตใจเราถึงร้อนเหมือนปืนเหมือนป่นี่เราจะเอาแบบท่านมาใช้จะเป็นยังไงความสอบความแสดงหาความเทียบหาเหตุหาผลหา หลักความกินมันคิดนะคิดมาทดลองดูวันสองวันอู้ยิริเดสมันยิ่งโหมหน้าเข้ามาไม่ทราบว่าทางด้านไหนต่อด้านไหนโหยไม่ได้นั่นเอาหล่ะนาที่นี่นะเราลองทดลองโนนี่ยิ่งเป็นการหมอบต่อกิเลสให้มันเหยียบยั้นทำลายเอาเป็นอย่างนี้ไมหมน้าทิศสัยเรากิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันมันมันไม่สงบด้วยวิธีนี้ก็ฟิต ทันทีกลับหลังปักทันทีอย่างนั้นแหะทีเป็นเรื่องนั้นเรื่องของเปลี่ยนหรือเฉยไม่เคยไม่อยู่รู้ทำไมเอากันุ่มนั้นมันยาบนี่สายของเรามันหยากแล้วก็พูดมันหยากต้องหนักสำหรับผมเด็ก น, นี่หนักมากหากว่าจะทำํำรูำ้กทำพําไปธรรมดาธรรมดาอยู่ไปหลับไปนอนไปคุยกันไปก็หมูเ่เพื่อนแล้วเทานั้นนั่นมันไม่ได้เรื่องเ ห, หมือนเหมือนกับกระตุลุ่มบอน อันหน้านี้ไม่ได้หลับตาพิษเดียวหมัดมาแล้วหมัดยีเร็วมันเร็วยิ่งกว่าอะไรต้องไปหมวนกันติ้วติ้ไม่เอาเนี่ยนิสัยอย่างนั้นไม่ได้แล้วกับเรานี่ไม่สมควรกันเรามันอยากเอาก็เอามันขั้นอยากตามเรื่องของเรานีมนก็ฟาดึ้นไปตามเรื่องนั้นแหละเมื่อเป็นเช่นนั้นซึ่งเราดําเนินมาโดยตลอดมันมีแต่วิธีการอย่างนี้ทางนั้นแล้วจะมาสอนหมู่เพื่อนรุ่มๆโดนด เราเอาหน้าดีนะอย่างนั้นอย่างนี้ผมสอนไม่ได้จึงทําให้เข้าใจในเรื่องครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นอาจารย์สอนหมู่คณะมีท่านอาจารย์มั่นเป็นต้นเผ็ดร้อนมากทีเดียวเราพยายามสืบสอบตั้งแต่ท่านดําเนินปฏิบัติธรรเบื้องต้นมาเลื่อยมาหมู่เพื่อนทั้งหลายอาจารย์อยู่กับท่านที่สี่สิบห้าสิบนู่นนะไม่ใช่ในน้อยนะในเบื้องต้นที่ท่านยังไม่ได้ไปจังหวัดใหม่ ท่านเผ็ดร้อนมากทีเดียวไล่ผ้าห น, นีนี่มากมาผหงได้มากระเกอกลางๆมาทำอะไรผิดผิดกระพานแล้วท่านไลน่หนีเลยคำว่าไล่หนีเนี่ยคือท่า น, นาําำ่านไมาได้หมายถึงเราผิดที่เขาบทวินัยเยียวยาไม่ได้หรือว่เข้าสงไม่ได้ไม่ได้หมายอย่างนั้นท่านลาคานธรรมดานี่เลยคือไม่อยากเห็นอืดออาัดเหนื่อยล้อผิดนั่นคาดนี่ด้วยความไม่ตังใจหรือเพ้อเล้อเมื่ อ, ม อ, ม, อ, ม, อ, ม, อมองอะไรอย่างนั้น ไล่หนีเรื่อยๆนี่เราทราบมาโดยลำดับลำดับลำตั้งที่ท่านเป็นยังไงเพราท่านไม่ใช่บุคคลประเภทนั้นท่านเอาจริงเอาจังทุกอย่างเมื่อเป็นเช่นนั้นกิริยาที่ออกมาก็ออกมาจากนิสัยจึงต้องแสดงอย่างเด็ดเด็ดสดร้อนร้อนอยู่เสมอถึงกระทั่งท่านมราภาพมีนิสัยแบบนั้นเรื่อยมามีว่าเออเออยังไม่มีเพราะท่านไม่เห็น คุณค่าของคำ อ, อืออ้ อ, อว่าจะเป็นอาจเป็นธรรมให้แก่กิเด็สคนได้มีเรื่องขนาบท่าทางมันไปขนาดกิเลสนั่นเองปลุกใจภูมาศึกษาให้มีกำลังทาง่านอาจารยาอย่านี้ฟังไหมอ๋อเพชรด้านขนาดไหนสอนท่าสอนเน้นดูพ่าดูเนนนี่แลกเลยฮะเพราะนิสัยท่านเป็นอย่างนั้นเอากินเอาจังเดดเดียวอาถรร ทําความเพียรนุ่วันหนึ่งมีทำทางโยกรมั้งสามแห่งก็มีทำอาหารเสร็จแล้วไปเดินสายนี้จนกระทั่งนุ่นเที่ยงหยุดแล้วพักผ่อนหน่อยนะแล้วตอนบ่ายลงเดินโยกรมสายนี้จนค่ําบูชาพระพุทธบูชาพระธรรมอาขีนี้พอตกมืดมาเดินโยกรมอีกสายหนึ่งมีบูชาพระสงฆ์เอาจริงเอาจรังคาดเกลื่อนไม่ได้อนี้เป็นเอาท่ายังนั้น นันบาท่านมีความสัตย์ความจริงทุกก็ทุกยอมรับว่าทุกแต่ไม่ถอยในการแก้กิเลสเพราะกิเลสทําทให้เกิดทุกนี่เราการแก้กิเลสมันจะไม่มีทุกบ้างยังไงมันต้องมีเป็นธรรมดาเขาจริงเขาจังเขาดูถูกอยาา่าย้ำศาสนาก็ดูถูกอย่าย้ำเราผู้ปฏิบัติไม่โกงตามหลักทําหลักวิกนัยทําที่หน้าดูถูกหน้าตําหนิเขาจึงตําหนิเราจะไปตำตำหนิเขาหรือว่าเขาทีเดียวมันไม่ถูก เราต้องเล็งตัวเราถ้าเราดีอยู่แล้วเขาจะหนีมาสักกี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปากก็ถามเถอะมันเป็นลมปากของนั้นแหะมันไม่ได้มากระเทือนเราเพราะเราดีอยู่แล้วมันจะถูกได้ไหมสำคัญที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่รู้เรื่องอะไรยิ่งกว่าใครในตัวของเราเองพย า, ายามแกไขตรงนี้การพิจารณาก็พย้ยามแล้วย้ำเราดูให้เห็นชัดเจนในขณะที่จะพิจารณาทางด้านปัญญา เที่ยวกรรมฐ า, านข้างบนข้างล่างอยู่ในสกุากายขึ้นเบื้องบ น, บนลงเบื้องล่างด้านขวางทั้งกลางรอบไปหมดทุกสิ่งทุกอย่า ง, างไม่เข้าใจไม่ให้มันหนีจากนี้ใจไปเที่ยวไปพอแล้วเที่ยวตรงรอบโลกธาตุอันนีเ้เกิดประโยชน์อะไรที่นี่จะเที่ยวรอบธาตุรอบขันอันนี้อซึ่งเป็นกองวัตตะใหญ่โตขนาดไหนมันเคยสั่งสมมาเป็นเวลานานจะเที่ยวรอบวัตตจักรซึ่งมีอยู่ในขนนันอันนี้ด้วยสติด้วยปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนของเรา บังคับลงไปมันไปไหนมันจะพ้นไปได้ยังไงเราเคยเห็นผลแล้วในการบังคับอิตอย่างโลดผลเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายมันจะไปไหนวาจิตนี่มาเพราะตั้งท่ากันเอาคิดไปไหนเอาไปสิวะบางทีตามนะเอาเอาจะคิดเอาคิดออกมาพอคิดมาปั๊บจับปุ๊บเลยตามกันค้นกั น, กนทีจารณ์กันชี้แังเหตุผลท้่มันทราบทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งจิตยอมจำนอนอ้าวจะไปไหนอีก เลยถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามาเข้ามาถึงร่างกายกําหนดพิจาณร่างกายี ก, ยกยทีหนึ่งหุ่นติ้วลงเลยนั่นมันพ้นความทรมานไม่ได้เพราะจิตมันผาดผลเรื่องการพืชปฏิบัติสติเรื่องความภาคเพียรต้องผ่าผล้วยการสติปัญญาต้องผ่าผลไม่เช่นนั้นไม่ทันกับกิเลสตัวผ่าผลอืกิเลสหนักมือแล้วต้องหนักมือยิ่งกว่ากิเลสก่เลสถึงจะเหมาะแต่เพียงเสมอกันก็เพียงย้ำๆกันไปเท่านั้นต้องหนัก ก็กิเลสกิเยก็เหมาะนี่ก็ได้เห็นเหตุเห็นผลประการหนึ่งแล้ว อ, อ๋อหยินนี่พ้นจากการฝึากการทรมานไม่ได้มันจะพยศขนาดไหนก็เถอะถ้าลงได้ตั้งท่าพยายามที่จะทรมานกันแล้วพ้นไปไม่ได้เชื่อยชัดถนัดใจเพราะได้ทำแล้วและได้เห็นผลอย่างนี้ประจักษ์แล้วเป็นสัก ข, ขีพยายนอะไหาอุบายก็ยิงมา เวลาจะพิจารณาทางด้านปัญญาก็หาอุบายพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงตเองถึงเรียกว่าปัญญามีแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้หยิบยื่นให้แล้วหลุดม้หลุดมือไปก็ไม่ได้เรื่องเงาจะของคิดเองก็ไม่ได้เวลาท่านสอนก็ยึดเอาไปไม่ได้มันจะได้ประโยชน์อะไรถึงการที่จะทําให้มันสมาธิก็เอามันอยู่ในนี้มันไม่เป็นสมาธิในจิตโดยเฉพ า, าะมันเป็นสมาธิอยู่ภายในร่างกายไม่ให้มันหนีเนี่ยบังคับอยู่ในส่วนร่างกายมันเป็นสมาธิอยู่ในขั้นนี้ ขั้นร่างกายขั้นธาตุขั้นฐา น, นนั้นนี่ออกนั้นเข้าไปในเป็นสมาธิปัญญาจิตสงบแนวนั่นมีหลายภักหลายตอนโดยอุบายปัญญาของเรานี่ยพิจารณาทุกวันนี้อายุขนาดนี้มันยิ่งเป็นเหอกในะพิจารณาให้ควรเทียบเกียงเหตุผลถึงเรื่องโลกเรื่องธรรมเองผูกคนสัตว์ทั้งหลายมันไม่อยู่แลจิตถึงเวลามันจะพิจารณามันแยกแยกเสมอ เรื่งสาระสําคัญในโลกนี้ที่โลกทั้งหลายอยู่กันอยู่กันยังไงสมัยเป็นเพ้อเป็นเพลินกันแล้วนักหนาไม่ลืมรู้เนื้อรู้ตัวลืมเนื้อลืมตัวอยุดทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งเด็กทั้งเปื่อยทั้งเพศหญิงเพศชายแม่ก็สุดเพศก็บวชก็ตัวติดไปคนละที่ละทางมันเป็นเพราะเหตุใดโลกคนี้มันถึงได้ติดข้องกันอนักหนามาพิจารณาแยกนู้นแยกนี้ไปถึงวัตถุต่างๆ ไหมดเรื่องต่างถึงเงินถึงทองเข้าของสมบัติจนจก่เลืองเพชรนินจินดามาพิจินดาทั้งหมดมันก็มีตั้งแต่เรื่องแรกท่านี่จัทุกขัาตาเป็นนักตุกอันหนึ่งๆเท่านั้นมม่ได้มีคุณค่าเหนือกันอะไรนักหนาตามหลักธรรมชาติเลยมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วท่านมีอะไรต้องติดกันนักหนาเ น, นี่ยนี่สยากจเจริญเจริญอย่างทูมเท้าที่เข้ามากามเนี่ยเขามาขอพรสองคนที่มาจากนครปฐมอ่ะ ขอพรนหละการค้าขายมีความเจริญหัวใจเจริญจิตใจยี่อยากให้เป็นไปเจริญทางการค้าการขายหัวใจมันอยากให้เจริญบ้างเลยนี่เนี่ปัญหาเก็แบบนี้หัวใจเจริญเท่าน่ะถ้าลงหัวใจเจริญเนี่ยอะไรจะเจริญอะไรจะเสื่อมมันไม่วิตกวิจารมันสบายอยู่ตลอดเวลาถ้าหัวใจเจริญแต่หัวใจมันไม่มีความเจริญมีแต่ความสื่อมมีแต่เป็นฟืนเป็นไปอะไรจะเจริญก็เธอมันไม่พ้นจากไฟเขาตัวอยู่ตลอดเวลานั่นแหละรับอย่ามีอย่างนี้ พิจนาเต็มความสามารถนั่ น, นีหลถึงเวลามันจะพิจารณามันเอากินออกจากนั่งคนเดียวนี่เงียบมันมีจิตมันเหมือนคำน้าทับน้าคือมันไหลดินละเอียดละออมันแยกมันแยกมันไปทั่วโลกกอ่ะฮะไม่ว่าสวมองจะเอาประโยชน์อะไรก็ไม่ใช่นะ <S <S <S มันผิดกันกับแต่ก่อนแต่ก่อนพิจารณาอะไรนี่แต่ เ, เพื่อจะถอดจะถอนจะแก้จะขายจะาตัดจัจะฟันมันขาดทัด้งบ้านออกจากคนเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นข่าศึดทั้งนั้นกับกิตที่เป็น สิ่งที่มีอยู่ภายในบิดนี่เป็นก้าสึกเมื่อก้าสึกข้างในข้างนอกมันเข้าประสานกันแล้วมันก็เหมือนกับไฟกับเชื้อนั่นเองเมื่อเข้าประสานกันแล้วป้ามันก็เป็นปืนเป็นไฟขึ้นมาเราก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นไม่มีเวลาพิ จ, พจารณาแยกแยะตามหลักความจริงธรรมดาธรธรมดาีนี้มึไม่มีโอกาสแล้วมันก็เป็นพลันเองอยู่คนเดียวไปคนเดียวเดินมินมาท น, นี่ก็เหมือนกันเพราะจะิ ง, ง, งไม่เกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนมีคครเดินตามหลังทุบจิบมันพิจารณาไม่สะดวกมันเป็นทางตระดิมิสัยของเรานี้เอง ไม่ในคุ้นกับอะไรไม่คุ้นกับใครทั้งนั้นแม้แต่ธาตุตะขันนจะอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นคุ้นกันไม่ว่าอะไรกับไปไปคุ้นกับผู้ใดหากเวลาจะพิจารณาทำอะไรอย่างใดนึ่มันก็สะดวกเดินไปกำหนดพิจารณาไปเรื่อยมันรื่นเริงบันเทิงบรรจิตพอได้ความได้ความแล้วมันก็ปล่อยปล่อยปล่อยไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยเรื่องพิจารณาเรื่องโลกเป็นแล้ว โลกใครก็อยากแต่จะเจริญเจริญการค้าการขายเจริญด้วยเงินด้วยทองการทํามาหาเลี้งชีพมีความเจริญจเจริญได้ยศถาบรรดาศาักดอ์เริญด้วยความมีหน้ามีตาเออนี้จ่อยากเจริญแต่หัวใจไม่เคยคำนึงที่อยากให้มันเจริญซึ่งเป็นจุดใหญ่จุดสำคัญแท้ๆแห่งความเจริญแห่งความเหมาะสมแห่งความสมหวัง ไม่สนใจอยากจะให้เลยมีแต่อยากให้นั้นเจริญนั้นนี้เจริญมันเป็นความสุขขนาดความเป็นความสุขอะไรบ้างมันมีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาส่วนนั่นแหละคือห า, หาเก่าในที่ไม่คันนี่ยกมาเป็นสติให้มันเพื่อในสถาที่จำนมาโลกทั้งหลายต้องการความเจริญด้วยวัตถนนุนั้นวัตถุมีอนาเขายังมีสักกี่ร้อยกี่พันแปลงตึกรามบ้านต้องมีสักกี่ร้อยกี่พันชั้นมีสักกี่แห่ง มีตลาดลาดเลยเต็มไปหมดโรงแรมลงแถวในหะมีตั้งแต่ของเจ้าของไปงหมดไปที่ไหนไม่มีแต่ของทั้งหมดทั้งแผ่นดินนี่<ม>เรจเจริญเจริญ ม, มันบ้าวัตถุวูกถุทาง ก, กิจมันเป็นบ้านั่นแล้วหาความสุขได้อย่างไรมันไม่ได้หลงอารมณ์ไปเฉยหลงลมไปนะั่นอารมณ์ถต่ใจมันไม่จเจริญเนาะแต่มีเท่าไรมันก็เท่านั้นแหละไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลย เพราะฉะนั้นใจจะเป็ของสําคัญพยายามปรับปรุง จ, จิตใจโลกถ้าว่ามีทำภายใน จ, จิตใจแล้ววัตถุจะเจริญภายใน จ, จิตใจก็จะเจริญวัตถุเหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์แก่ผู้มีธรรมอันเจริญภายน จ, จิตใจหรือผู้มีธรรมในใจสมก็มีสมบัติแท้ทำาันใดทำแล้วก็ายัางว่า นี่เราไม่ได้มุ่งอะไรกับเรื่องโลกโลภุลลสานั้นมีแต่จะทำปิตใจให้เจริญอย่างเดียวเท่านั้นทําไมมันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติศาสนาเพื่อความเจริญของใจจนวนวผ่าปฏิบัติเจสาลมานักขาธันตาแตโจโวเป็นต้นเมืตั้งแต่อุบายวิธีการนึกอ่านที่จะทําจิตใจให้มีความเจริญขึ้นมาทําไมจิดใจไม่เจริญมันเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะความขี้เกียจขี้คลานอ่อนแอความตะเภามากง่าเข้ามาเหยบย่ําทำลายอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นนิสยัยเข้ามาบวชแล้วก็ ไม่ปล่อยไม่ละนิสัยอันเป็นยี่เหลี่ยมปัญหาสะวะนั้นนังเอาเข้ามาเหยียบย่าทําลายหัวใจของข้าอยู่มันในเรื่องอะไรทำไมไม่เอานิสยัยของพุทธเจ้ามาใชา้นิสัยของสาวกมาใชา้ท่านเปลี่ยนแปลงโหมดมาจากคารวาสเจ้เรือนจะเป็นเศรษฐีกระดุมผีพระราชามหากษัตริย์พอก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาเนี่ยประชาทั้งหมบทในในศาสนาแล้วดําเนินตามหน้าที่นั้นเลยด้วยความมุ่งมั่นอดทน ต่อกิตการทังตนคือความพ้นคือความหุดพ้น่านจึงหลุดไปพ้นไปพ้นไปพ้นไปไเรื่อยๆนั่นผลปรากดขึ้นมาจิตไม่จะเดินมันจะพ้นได้หรือพ้นจากกิเลสได้หรือจิตต้องจเจริญเจริญเป็นนล ำ, ลำดับจกนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่แล้วปล่อยวางได้โดยสิ้นเชิงเพราะใจเป็นของน้ำผันเลิศด้วยใจสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายเลิศด้วยใจทุกจิ้งพอยามีใจเป็นน้ำผันอยูที่จุดนี้อย่าละอย่าถอนอย่าปล่อยอย่าวางอย่าเหยียบ ด้ามทำลายจุดนี้ไปอย่ามองข้ามไปให้ดูให้ดีตรงนี้เป็นจุดที่เจริญที่เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดตามหลักธรรมหรือตามหลักแห่งความถูกต้องทั้งหลายที่บรรดาล น, นักปราชญ์ทั้งหลายที่ท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วท่านสอนลงในจุดนี้พากันจับจุดนี้ให้ดีอย่าเห็นจริงใดวิเศษวิโสยิ่งกว่าใจซึ่งจะทําให้วิเศษขึ้นมาได้อ๋อโอเคนี่อาจารย์ปัญญาอธิบายครับ เอเาเป็นสกัมดร่างกาแต่ตาขนมขอกนมีของโลกสมุททั้นเพราะเข้าไปอยู่ในใจเหมือนกันใจเป็นอดนิ่าข้าหปันอะไรหาโจคาล่าลของไข่ิดดวนั่งไม่ใช่ขิดอย่ัเพรถ้าพอเข้าถึงธรรมแล้วนี่มันนี่มันก็บอกเป็นหาเลย เหมือนก็ศีลเป็นรั้วบ้านทำนเป่นเขาวงในในบ้านนี่ว่าที่จุดทรัพยน้ำคันจนแท้กเป็นต้นตอนนะ่ะอจริงจังนะผู้ตั้งยันมาศึกษาทุกองค์ผมรับไว้ด้วยเหตุด้วยผลด้วยอดด้วยธรรมผมจึงสอนทั้งหลายตามเหตุตามผลตามอัดธรรมด้วยความสงสารจริงผมไม่สอนพวกทั้งหลาย ศักแต่ว่าสอนนะไม่ว่าจะดุใาว่ากล่าวชนิดใดผมมีเหตุมีผลมีเจตนาเพื่อท่ทานทนายเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีอารมณ์มาใช้ขอให้เป็นที่เข้าใจยังอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหไม่ได้มีมาใช้ผมคงเลยคุณในวงหนูเพื่อนเมื่อ ก, ก่อนมันเก่งอะผ ม, มโทราสารจันพึ่งเลยห้าคนได้ไม่ต้องสงสัยผมนะแต่ น, นี้ใส่ไม่ให้ไปเถินนะถ้าวันนี้ใส่จะนัง่งปุ้ย เป็นสุราอ้อยตัวใหญ่สำคัญมากเราคิดเห็นหนึ่งเผมยังไม่ลืมเนะมี่ยผมคิดย้อนหลังเป็นคารวาทั้งทั้งที่ผมไม่ทำใครเลยเดินเลื่อยไม้เดินในงนี่แล้ววนนั่น่ะมซื้อไ ม, ซอม้ซื้อแลาวมันกดราคาไม้ผมหนุกหัวมาไมา่ามาดีนั้นขอไม้เราก็ยิงขุกพลเพียงทนทนทนี้เท่านี้มันก็กดเอามะมาก แท้ใใจนุ่นดูสิไม่พูดรู้นะเฉยเพราะนอนอยู่นะีนาดงนอนช้ามาคินข้าววันไงไม่นอนไม่ได้รักษาข้าวพอนดำปักดำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รวยมากเห็นพอมาอยู่กางานานะเขากระเยนมากทุกอย่างสองคนสามคนนี่เราพูดถึงตึ้งใจนะมันจริงๆริในใจผม ถ้าเราไปทางชั่วนี่โอ้โหยี่งใหญจริงๆอ่ะค้าคนขนาดห้านคนวันคงไม่รู้สึกปัวเลยมันถึงจริงๆอ่ะนี่ขวาแทนเอา น, อน า, า ม, มึนนะวางกูจะไปขโมยของในบ้านให้หมดเพราะตอนท่ามไปเลยมาแล้วมีเท่าไรกูจะเอาหมวกไก่มันเคยขังไว้เป็นโอ้โเป็นอะไรเขาเรียกอะไรที่อิงจางหมวไก่น โกงไม่ใช่มันอะไรกระจกเนอะกระจก น, นั้นแหละมันเราใส่ไว้เต็มเต็มเรามาจากบ้านเราถ้าเราไม่นอนนาที่พ่อนอนนานอนดินนาเราก็มาบ้านถ้าพ่อมาบ้านเราก็นอนอย่นาพขาเลาะสาข้าวนึ่ผัดเปลี่ยนกันช่างมันเป็นขงทคงพลอ่ถ้าลงแล้วมันลงแล้วเสร็จเลยมีเรือเาเราเดินผ่านมันมนไปไปเลื่อยไม้ไม่กินข้าวตั้งแต่ข้าวนะแตยังไม่สว่างนะมันทํางานกินไปข้าวผมนี่กินข้าววันละสี่หุ่น พอเราไปก็ตอนประมาณเจ็ดโมงกว่าแล้วไปถึงผ่านไปนั่นข้าวอันนั้นมันอยู่ในกระจงได้ทุกวันทุกวันมันโดนมันดานั้นแหละวันเราจะเอาพอดีมันปล่อยไก่มดมาเนอะแล้ก็กวาดน้ําหมดเลยเออันไหนไม่เอาปลาเข้าป่าอื้นมาขโมยของมันตอนข้าตอนไปลืมไเพราะในโดมไม่มีคนนี่นะเนาะจะมีอะไร แต่ก่อนไมนมีแตบ้านต่างบ้านกตรทอนัก็ไม่สี่หลังคาเรือนสามสิบสีสิบหลังคาเรือนต่านั้นบ้านต่างมันก็มีรมาณทศร้อยหลังคาเรือนก็ไม่ถึงระยะนั้นนะน้องขาส่วนตะทอนนี่ลุงจะมีประมาณทสามสิบกว่าหลังคาเรือนท่านั้น น, ะนี่นน ม, มีตาาอตนนั้นตอนนั้นเป็นตรงหมดแล้วใครจะมีมาแต่จากไหนบ้านไหนก็ไม่กล้ามาผ่านมาเพราะที่ไหนเขาก็พาวิ่อกาอยู่ทีออน่นัน่แล้วสคุณ นั่น้ายคดฆ่าของนายม า, มมาคนเอาของมันมีอะไรเอาหมดเอาไปแล้วยังคอยฟังเสียงอยู่นะมไม่งั้นจะมาข้ามันอีกนูนหนักเขาขโมยของไปแล้วมันไม่รู้ว่าใครขโมยเพราะตอนใหม่ๆกันจะเห็นโอ้ยบัวอยว่างนี้คนมาขโมยของคอยมัดมาเหมือน่ะ ไปอยู่ยังไงทั้เขาขโมยตั้ถามไปอูยัยงไงทั้เขาขโมยก็ไปเลื่อยไมอย้อะไรเนี้ยอยากเคยได้มะไรเเขาขโมย อ, อะไรบ้างเกลี้ยงหมดไม่ทราบอะไรต่ออะไรหมดเลยอย่างแต่ดีหนึ่งก่เรปล่อยอ ไ, ไม่งั้นคงไก่คงเรี้ยบแต่ไม่มันไม่พูดถึ ง, งเร่ออย่างไม้ยัดแม่ลิบเป็นลักษณะโมโหตัวสวยให้เราเนียนะยถ้ามันพูดนี่ตอนนี้ตอ น, น, ตอนมันจะตายนี่นะนุ่นนะตรงนีมันพูดธรรมด า, นานของเตี้ยงหมดเลยอะไร มันเที่ยงนะปลาข้าปลากงมีอันไหนที่ควรกินเช่นปลากระป๋องกระป๋องมากิกากกานเดี่ยวอะไรวมันว่าบริจิตตปลาก้ปากปลาหมดนี่พูดถึงเรื่องการพีรามไปมันไปพูดมันก็พูดธรรมนาไม่เป็นเรื่องโขนเรื่องอะไรๆมันพูดธรรมนาธรรมาแล้วรู้ตัววัานอะไรก็หมโอ๊ยกะจะรู้ยงไงมันอยู่ดงใครจะไปอย่างมากรบังก็ว่างเงี้มันกระป๋องเง้เนี่ยมันก็พูดธรรมนาเราดูมันก็ไม่มีอะไรสงสัยว่าก็เลยผ่านไป ไม่มีเลยกล้าว่ามันมีอะไรกับเราอีออกเอาแค่ๆปืนเถื่อนเราก็มีด้วยนะเน่ยไม่ใช่ปืนเราปืนน้องเขยอป็นจะเปปืนเถื่อนปืนปืนไม่มีทะเบียน<ม>เราก็ทำตันนั้นแหละทำด้วยความเกียบแสงทำไธรรมนานเราททำไม่หลงไม่ทำใครไม่มีเราไปรับเับเกียบผู้ใดเล นิสัยเราไม่มีการถกกันแล้วไม่มีามทางไม่ศาสนาเลวเรารับครบเคารพเราใส่หาวันนี้สายไปทางทา ง, ทางไม่ดีนโอ้โหเป็นสื่อได้ได้มันถึงใจงยิงชอบคุนใจยินเหมือนหินหักตักลงไงแล้วหักทะบ้านไปเลยนี่มันดีที่เราหมุนมาทางด้านธรรมานี่เราเห็นเห็นเด็กของจิตที่มันกินกัง ในขณะที่ตะลุมบอลกันเอาเป็นเอาตายเนี่โอไม่ถอยจริงๆนะไม่ใช่ขูยคือมันเป็นจริงๆเพราะมั้นสอนหมือมันด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเหตุด้วยผลคนที่ไดปฏิบัติแล้วปรากฏผลมาอย่างไร อ, อย่างถึงใจว่ากิเลสมันกลัวมันหมอบมันทลายลงไปด้วยความถึงใจนี่แหละความจริงจังของการปฏิบัติเราเห็นคุณค่า ถ้าลงวันไหนได้เอาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเอาถึงเป็นถึงตาแล้ววันนั้นต้องได้ทำมาซะนี่นะถ้าธรมาธรมดาธรรมดาแล้วมันไม่เคยได้นะให้ทำมาขั้นธรรมดาธรรมดาขึ้นไปดูดมันไม่เคยปรากฏสงบก็สงบธรรมดาไม่เห็นมีอัศจรรย์อะไรมากเลยขุดถึงเ ร, รื่องปัญญาพอจะเกิดต้องอะไรมันก็เห็นไม่เห็นมีอะไรถ่ายนำนะแต่เวลาขุดค้นนั้นด้วยความจนกรอจนมุมหาทางไปไม่ได้จะต้องพุ่งข้างหน้าอย่างเดียว า ต, ต, ตายก็ตาไม่ตายให้รู้ไม่มีทางไปไมหมุนติ้วติ้วนี่ยิ่งเห็นอํานาจของจิตที่มันจรงนิงจังแล้วคนเรามันทนได้หลือว่าเมื่อหาทางออกอัตยีตโนนานโถเต็มที่แล้วใครจะยอมตายง่ายนั่นแหละปัญญามันเกิดขึ้นตอนนั้นตอนจนเกาะ อ, อัตยี น, นโนนาโถขุ้นตัวเองพึ่งเลยมันได้ของกันลโรค้งค้างที เราจะสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเพื่อนนี่สอนเล่นๆเราจิงเงาจังการปัฏิบัติให้สม่ำเสมออย่าลดละเริ่สติเป็นสําคัญ น, นี่เวลาล้างบาตอย่าหาเรื่องคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ต, นตามคนต่างทําหน้าที่ของตนแล้ปลายกติอย่ายุาง่งพูดกันนั่นคุยนั้นคุยนี่งนะเราดูไม่ได้ พูดไปก็ต้องเผอไปเรื่อยๆเพินไปเรื่อยๆบางทีมีเรื่องสอดเข้ามาให้เป็นเพลินให้เกิดความเพลินเป็นอารมณ์ของใจคนพาถ้ากัรณ์ธรรจะวังสิ่งเหล่านี้เคยผ่านมาแล้วต้องการหนักที่การงานเรามีอล้วรีบจับรีบทอาอยากอือยอ่านเนืยนายอืด อ, อาดดูไม่ได้นักปฏิบัติต้องเข้มแข็งทุกอย่างไม่ว่าอิกนอกการใดมีความเข้มแข็ง การปัดกวาดก็เลยประกาศสั่งคนดูไม่บอกคนเลี้ยงมวามือท่านก็เลยซ้ำอีกหลััดกวาดทั้งตั้งมวานี้มาถึงมันีเรื่อยไปจนกระทั่งจะสั่งเปลี่ยนแปลงใหม่เมื่ก่อนปัดกวาดบ่ายสามโมงคึ้นเวลานี้บ่ายสามโมงสี่ห้านาทีเพราะมันจำคำวันเพ่อวันพ่อตอนเท่าก็จำลุงสายโดยลําดับเดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงหกโมงเย็นมันได้รวมแล้ว ขนับหกโมงสิบห้าห้านาทีมันก็พอบินระบาลแล้วบ้านนี้่อเขาตื่นในเช้าเนี้ไปตอนไหนก็ทันที่เราจะท่าบ้างก็เกี่ยวเขาลงตื่นเราก็งานการต้องมีความเกี่ยวการทังเกียวติทางร้างตายเราก็เพียรทางจิตใจยี่งยุ่งเน่ไปตลวนู้นเก็ มันจะทําให้เรางงขนหนุ่มกันนะแต่พราะนิสัยคือใช้ปัญญาอยู่แล้วมันมันไม่เลยเพิ่บกลัวไปพอสองนาทีพอนาทีอะไรอย่างเพิจารณาตอนปีสามนั่นแหะคือตอนตอนตอนที่ดึกสงัดนั่นแหะมันมันสนุกพิจารณาคือมันมันเหมือนกับน้ําไหลดินน้ําขัดน้ำซึมนี่นะปัญญาขันนี้มันจะไม่หยุดเลยมันหมุนมันจิ้วจ ซึ่งพิญญานี้ยมันไม่แบบผาดผลเหมือนข่านพินาสุภาสุภาษนี่มันผาดผาดผลมากผุนผุนจนกระทั่งเหมือนก็ว่ากายเราไหวไปตามปัญญาขันนี้เพราะที่เลยขั้นนี้เนวเรื่องพรเหมาะกันนี่พอเข้าไปถึงนั้นแล้วที่ละเห็นดไม่ละเอียดไปสติปัญญาไมนก็ละเอียดต่างมไปมันไม่ผาดผล่มันน่ะไหลลื่นมยู่ตลอดพิญญานี้มันมีอะไรปรากฏที่สาม คำนวณิชาเขาต้พงมีที่ก็หมดอะไรก็หมดเนี่ยปกลุ่มปกเวทนาสัญญาสัญญาปัญญาที่นาอะไรมันกบเข้าใจหมดมันไม่ยอมรับมันสนใจตั้งแต่จุดนั้นแต่ที่ยัดออกมายัดออกมาเป็นข้าศน์ยัดมาพักดับครับยัดมาพักดับดับพร้อมดับพร้อมปัญญามันทันดึงธรรมชมันไม่มีวาลาไหนที่มันจะเผยตัวไปได้มันเป็นหลักธรรมชาติทั้งหมดว่าโอ้สิ่ง มันเป็นลากษณะวิประสิทธิดหนึ่งมันมีลักษณะมันเป็นลักษณะถ้าเรากดรูปเกียร์ข้นมาเหมือนมันแสดงอย่างนี้ให้เราเห็นจับปั้งแล้ววางก็จับปั้งวางวางนี่ความรู้มันก็แช่กเพอปั้งออกจากปั้งนี่คือเกิดพอวางปล่อยนี่ปล่อยมือนี่เหมือนตายแลจับปั้งก็เกิดตายเกิดตายเกิดตายอย่างี้มันเข้าใจเรื่อนั้น ทนี้พอปล่อยพักนี่ไม่จับจริจริงไม่จับอีกคือว่าตายแล้วมันไม่เกิดอีกทิ้งทั้น่มันเกิดมันไม่ไปจับไม่ไปเกาเขาเขพอนป่อันป่อนจะขิ้นเาก้ทีนี้พอนั่นมันคาดหมดเนีน่สิ้นแล้ถ้าว่าสิ้นแล้วทำไมสงสัยส นานมันแฝงกันปั๊บพอมันปั๊บมันก็ลุกได้สติเเียวอ่ะยังไม่สินานคือในขณะเดียวนั้นแหละมันทำให้าเล่นน่ากนน่นี่มันจะสิบแล้วอันหนึ่อันหนึ่งก็พุ้มาเลยมันขึ้นเองนะถ้าถ้าเศ้าอ่าเสินแล้วทไม่ลงใจมันก็ข้างจเฉยเฉียว่ายังไม่สินี่มันเคยหลอกมันกันนะแต่มันขึ้นแต่ขนาเดียวตรงนั้น มันก็มนกแบบกลมาคุณวัดดอยนวดนะเจริญนี่แหละเห็้มันหนักคุณมงข้ามเหมือนยแล้วเป็นบวกขึ้นขาวัดดมันก็ไหลอย่นี้อย่าันเรื่องคุณเรื่องต่าบมันจะไปเรือยตอนนันก็อยู่วดดอมันตื่นที่ดอก็แบบไปลงมาแล้วขึ้นรถดอยแบบภาะ มัในแตกยังไรมันม <Means S 1> <esh> ัมีที่หมดอะไรมันก็ปล่อยดมันมันนี่เท่านเดียวตอนนั้นนี่จะยนี้แยทีิ่ยแยบหลุดออกจากความสว่างคือจุดนี้มันตาจวงมันอยู่กันถ้าเราแก้ไม่ตกนะความสว่างมันสายตาจวงแต่มันพ้นนิสัยสติปัญญาไปไม่ได้เพราะสติปัญญานี้ถ <scholarship toss> <out> ึงจะลืมตัวก็ตามในขณะนั้นแต่การทั้งเจตมันไม่ถอย มันเป็นคู่กันบางทีเป็นลักษณะเท้เาเท้เาเท้าตามขั้นของคุก ข, ของสิด น, นี้แหละแลใส่แล้วเศร้ามีลักษณะเศร้าแต่เศร้าก็เศร้าอย่างละเอียดฮะไม่ค้นทฤษฎีบรอย่ญญางนี้ไปได้จับพอจับทะ้นได้อค่างค่างจะพยายามระมัดระวังรักษาไม่มยอะไรมาแตะต้องนี้เลยมีความหลง ม, มันถึงความพยายามรักษาการรักษาอาการ ถูกเรื่องมากก็ถูกแต่บาเรื่องเราวิชาก็ไม่ผิดเรื่องมัะของมหาสติมาปัญญัต <c oughs> ิมันเผื่อตัวได้เพราะมันอาจาจังขนาดนั้นนะที่ดูที่จึงขนาดสติปัญญาขั้นนี้ิยมยิงต้องไปรักษาใหม่ไม่อยากให้อะไรมาแตะมันต้องอะไรมันอะไรนี่ฉระปุ๊บ ốc, สระปุ๊บ ốc, สระปุบปเลยอย่างนั้นเลยสติปัญญาขั้นนี้มันรวดเร็วอะไรเข้ามาพัดไปเลยพัดไปมันรักษาตอนมันเผือ่อได้ นี่มันก็ไม่พ้นเพราะมันวินิจฉัยตลอดเวลาไม่มีงานทํำเลยข้างนอกไม่มีแล้วอะไรมันปล่อยหมดแล้วมันไม่สนใจแต่เราพี่นามันไม่ยอมรับทํางานถึงเดียวมันพอนี่มันจะจักใจนันมันมีถึงเย็บเย็บเย็บย็บหรุดับเยกดีเกิดดีขึ้นกับหนับชั่วกับดับปุ้งเรื่องอะไรมีแต่เรื่องเกิดเรื่องหนับมีเท่านั้นไม่ห็มีอะไรกังทั้งเจ็อยู่างนี้แต่ผลที่มันเป็นให้เราได้สุขใจมันมี ใส่แล้วก็บางทีคือมันใสเด่นเขไปอีกก็มีแล้วมันค่อยค่อยเศร้าเข้ามาตามขั้นของมันแะอย่างอื่นละมันก็จะได้นี้ทําไมถามว่ามันเป็นของีมันทําไมต้องมีเป็นอย่างนี้เนี่ยจากนั้นก็ถอยแล้วนั่นนย้อนเข้ามาละทีนั่นสติปัญญาที่รักษามันแล้วกลับเข้ามาต่อสู้มันเ อ, อมามีดไช่มันนี่ใช่ไหมดวงเดียว น, นี้เป็นหนยย้าใหญ่ละ่า เดี๋ยวว่าดีเดี๋ยวว่มันเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกเดี๋ยวว่าผ่งใสกเดี๋ยวว่าเศร้าหมองแต่มันเป็นความละเอียดของมันนะไม่ว่าสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเป็นความละเอียดตามพันธุ์ของจิตเท่าก็ดีใสก็ดีสุกก็ดีทุกข์ก็ดีมันเป็นความละเอียดของกิตแต่ให้จับได้อตลอดมันก็เอามาวิจัยทำไมจิตดวงเดีวยวจิตเป็นได้หลายอย่างนะครับวะทีนี้จอ่อ เป็นได้หลายอย่างอนะีกเยอะๆก็จ่อไปเดี๋ยวพูดขึ้นมาทําที่อะไรก็นนี้แต่ไม่พูดล่ะคําว่าใสก็ดีคําว่าคำคำว่าผองใสก็ดีคําว่าเศ้าหมองก็ดีขึ้นมาโอ้โหเป็นบทเป็นหมากนะอืมคําว่าสุข ก, ก็ดีคําว่า ทุ ก, ก็ดีคำว่าผงไสก็ดีคำว่าเส้นหมองก็ดีทำสองเงินนี้เป็นอนุตานนะว่าอย่างนั้นขึ้นเพอไหวนั่นมันจึงเป็นเหมือนคำว่าภาพอันหนึง่งที่มันขึ้นกับเป็นข้อเทียบเคียงกับนั้นเหมือนจะว่ามะพร้าวมะพร้าวเนี่ยมีปลาเดียวเนี่ยมันออกทั้งสองห น, อ น, นอนหนึ่งทางเส้นหมองหนึ่งทางผงไสหน่อนหนึ่งทางสิบนอนหนึงทางทุกบุรง่งาย เป็นตักษณะทั้งสองเนี่ยมันมันขึ้นมาจากกระดานเดียวนี่คือขึ้นทั้งสองอย่างนั้นมันขึ้นมาจากใจดวงเดียวนี้จากอันธรรมชาติอันนี้อันเดียวอที่ว่าเป็นรากฐานได้ใส่นี่พอท่านนี้ขึ้นนั้นทับงงแหละเราตรงนั้นน่ะแต่ว่าพิจารณาอะไรอยู่นก็ไม่ใช่นะแต่ว่าจออยู่ในจิตดวงนี้ก็ไม่เชิงนี่ตรงนี้กลางจริงเราจึงยอมรับ ยิ่งภาน อ, อายุยาบทสีคือตอนนั้นท่านจะอะไรท่าก็กไม่เชิงพิจารณาอะไรก็ไม่เชิงจะถือเรือไปข้างนอกอก็ไม่ไปจิตตวงนี้ไม่ไปละไปอย่างนั้นน่ะจะจดจอ่อทํางานอะไรแท้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็จิตก็อยู่ในจังหวะที่กําลังเฉยเฉยจิตมันนะเจ้ว่าจอนี้ก็ไม่เชิงเจ้าว่าทาอะไรอยู่ก็ไม่ใช่อยู่ก็มานะเหมือนกลางกลาขนาณะนั้นมันถึงได้พบขึ้นเล ไอ้นี่คือคือว่าเป็นหนองเท้าออกจากเท้ากลาเดียวนี้มันคว่ำนี่หลงเหนื่อยเพราะคว่ำพุพกไปพร้อมเลยหมดเลยดวงสว่างนี้มันก็ไปก็คือดวงสว่างนี้แหละมันไปกระจายหมดดีสว่างอัศจรรย์ น, นี่แหละคือเท้าเท้ า, าต้องหลุกงา น, นหนอดีชั่วสุขทุกเป็นคู่กัน มันก็เกิดจากอันนี้มันก็ไปด้วยกันของเพราะความปุบนั้นผ่านเลยหายพองไปเลยนี่อะไรจี่งหรือจากนั้นแลมีอะไรนั่นหละความอัิจักรแค่พออนี้กองที้ควานี้ถูกปัดออกไปตอนั้นอันนั้นคืออะไรนั่ น, นออแหละจริงอัตจักรแท้ จริงๆแ้มาเห็นโทองนี่โอ้โหมันก็เหมือนกับกองที่ควายกองนดีๆทำไมจะไปหลงมันโอ้โหโอแล้วที่ความสลดตั้งเวทเห็นโพษอันนี้ก็เห็นคุณค่านั้นก็ถึงใจทุกอย่างโอ้โหอยหาที่ไหนหาทาทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนอะไรอ่ะโทรอานุทานนะคุณง่ายโทอทานอุทานโอ้โหเกิดความสลดตั้งเวทเดี๋ยวเขาเรื่อง ควลงตัวเองนี่สลดทั้งนี้ถึงใจความจํำนี่กว่าถึงใจทั้งสองอย่างเข้ามาถึงใจแล้วน้ําตามพะร่วงอยู่ได้เลยแล้วจะว่ายล้อหงมล้อให้อะไรอืมหัวเลาะมันก็น้ําตา ม, มันก็ร่วงถูกพันไฟน้ําตา ม, มันก็ร่วงสลดสมเวตุนี่มันน้ําตา ม, มันก็ร่วงแต่ธรรมชาตินั่นไม่ได้เป็นอย่างนี้นานเท่าไหโอ้โห มันเกิดที่แรกเห็นที่แรกมันเป็นมองค์าระเจ้านันบอกอะไรไม่ถูกเพราะเวลานั้นเรายังไม่สนใจว่าจะคิดกับเรื่องอะไรกว้างแค่ขนาดไหนไม่ได้คิดอะไรคิดแต่ เ, เรื่องที่ปรากฏในปัจจุบันนี้ขณะที่ตะงันสว่างมันหายไปอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็มาเทียบเทียวถึงเรื่องตัดเรื่องบุคคลเรื่องเพื่อนฟูงเรื่องมนุษย์ทั้งโลกปอุปยปฏิบัติเพื่อทำตรงนี้นะ นั่เกิดความท้อใจเพราะเอาหลักผลมาพูดอย่เกิดเป็นผลแมาพูดไม่ได้พูดถึงไม่ได้คิดทั้งทีโอ้ต้องขนาดนี้จะไปสอนใครได้บางทีเขามาถามว่าบ้าไปหมดโลกนี่ใครจะไม่สามารถรู้ได้ลงถึงขนาดนี้แล้วโอ้พูดอะไรสกลนวบ้าอยู่พูดได้สบายพอยังยดีไปวันหนึ่งพอถึงมันตายทั้งพอจะเพูดอะไรบ้างจะหามว่าบ้าทั้งโลกพูดได้ยังง มันก็เกิดความัวงขาน้อยมันไม่อยากพูดอะไรทั้งนั้นภาษาทางก็ไม่เกิดปะาารนะโยชน์มันศึดวิสัยพีนี่มันจะไปมันวางันนะที่แรกนะฮะมุองต้นยังไม่ได้คิดคิทางวิจัยเอาใกว้างกว้างไปแต่มันก็ไม่นานเพราะจะิตตรงนี้มันจะไปนอนใจได้ไหมสิ่งที่ไม่นอนใจมีอยู่พูดภาษาสมมติเรากับทนโถดเห็นอนี้ไจักหนึ่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนก็ไม่รู้ก็ให้ไปขี้ ครอบหัวใจของมันทางนั้นน้ำขอคิดยักมาเลอถ้าเราเป็นกองทุนนิสัยจริงๆมนุษย์ทั้งหลายรู้ไม่ได้แล้วเราเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมาถึงรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุใดทีนี้มันก็ต้องกระจายไปถึงปฏิบัติทางโอ้ถ้าถ้าหาว่ามีปฏิบัติทางการดาเนินแล้วนก็รู้ได้แน่ พระพิฆาตทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะเหตุอะไรเพราะปฏิบัติธรรมเศราทำไมรู้ได้รู้ได้เพราะปฏิบัติรกันเนี่ยนี่ทำไมจะไม่รู้ได้เพราะเมื่อมีปฏิบัติกันเนี่ยให้ตรงเป็นตำหลักธรรมที่เจ้าโทนสอนเจ้าพ้นไปไม่ได้ต้องรู้นะทีนี้มันก็ขยายออกมามีใจใจมันดึงย้อนไปเรื่องของพระเดจ้ามันเอานี่เป็นสักขีพยานนี่นะเมื่อมีสักขิพยานมันพูดไปได้แค่นั้นแหละเมื่อมีสักขิพยานมันพูดไม่ได้เช่นอย่างนีจับผู้ร้ายไมีของกลางจับได้หรือ ฝ่ายฝ่ายที่ออกเป็นการฝ่ายนี้ก็มันมีของกลางดยงนั่นอันนี้คืออะไรรู้ได้ยังไงเพราะเหตุ อ, อ, อไรเพราเห็นนั้นเหตนั้นั้นนั้นนี่เมื่อสั่งสอนอบรมคนให้คนเข้าใจตามนี้ผู้ปฏิบัติประบัติแต่ยิ่งแล้วยังไงก็รู้ได้เช่นเดียวนี้อ่ น, นี่ก็มีเกียรติหงพ่อทีเจ้าที่ได้ทรงตังวลขวายนอนมาอยากสั่งสอนแต่โลกทั้งที่ปรารถนาเป็นพรสดาสั่งสอนโลกมาอยู่แล้วแต่ก็เข้าถึงนั้นจริงๆแล้ว ทำงก่านนเราแน่ใจว่าเป็นอย่างนี้ในเบื้องต้นที่พระองค์ยังไม่ทรงวินิจฉัยแค่ควรอะให้กว้างออกไปกว่าจุดเที่ยวซะจังนั่นองเหมือนเขามีอย่างนี้อย่างเดียวไม่มีอะไรจะเ อ, อื้อเข้ามาถึงได้เลยความจริงก็มาด้วยปฏิบัติฐานเ อ, อื้อมเข้ามาเอื้อมมาเมื่อถึงที่แรกก็ต้องคอยผลักออกทีบันไดว่าแล้วพลาด ก, กับวันใดได้เมื่อถึงที่แล้วหีือปฏิบัาก็มาพอถึงที่แล้วก็พลาด ก, กันได้ปฏิบัติฐานน้อย่นั่นก่มีแกะพระไทย ที่สอนตอนโลกคือพระเมตตาสุดส่วนอยู่แล้วแต่ไม่ทราบจะสอ น, น, นอได้ไงนี่เขาถาว่าบ้าอย่างว่าพอแยกแยกมาถึงมฏิบติธาแล้วอ๋อได้ได้คืพระเมตตก็เต็นส่วนเลยทางพระเมตตก็เดินได้เลยที่นี่ห mm hmm. ลังจางนั้นก็พุทธม า, าระโลกาท่ามหาพุทธ ม, มาราธันน mm ์ hmm. เป็นมาลาที่สองมาพวงตรงพระไทยแล้วด้วยเจตันนี้ยาก เอาที่เอาี่จริงอย่างเราจะท้าท่านทะ่ า, านของผมไม่านการพูดในฝั่งนี้ก็ไม่มากคาดให้เป็นกําลังใจไม่มาคาดให้ดําเนินตามหลักปฏิบัติในวงปฏิวัตนธรรมนิสัยใจของเราเป็นยังไงให้ดําเนินตามนิสัยนั้นคอยทยันยึดยึดหลักธรรมเป็นหลักไว้แล้วกันจะรู้นั่นเห็นนี่อยา่าไปคาดไปคิดหาจะเกิดขึ้นภายในตัวนิสงตัวของเองนั่นเป็นผลตกแต่งไม่ได้ตกแต่งเหตุนี้เอาที่ดีท่านจริงให้จัง มันจะเข้าใจโดยลำดับะพอมันถึงน้อง อ, อ่อยแล้วมันก็หายสงสัยทั้งหมดแล้มันปล่อยได้ปล่อยหมดที่นี่หมดกังวลทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าแดนสมมุติแล้วปล่อยโดยสิ้นเชิงว่างนั้นเลยไม่มีอะไรจะยิ่งกว่านี้แะ้ส่วนที่ว่ายิ่งนี่ก็ไม่ยึดตัวเองอีกแล้วถ้ามันอยาจะอธิบายหูขึ้ฟังด่ก็ได้ตัวมายจ้ะน่าพู